ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปฐุมกาลังนำเสนอสมาธิทิฏฐิสูตรสืบเนื่องกันมาโดยลำดับก็บมาถึงบทที่สรุปคือจะเห็นว่าองค์ธรรมในพระสูตรนี้จะมีธรรมะอยู่จำนวนมาก คือท่านแบ่งออกเป็นวาระถึงส6กวาระแล้วก็จัดเป็นสถานะถึงส2สองสถานะก็เรียกว่าเป็นการแสดงธรรมที่มีพระอรหันต์เป็นยอดคือมุ่งถึงหลักการปฏิบัติพัฒนาจิตไปเรื่อยๆแต่กล่าวโดยสรุปแล้วก็คือการละกุศลการเจริญกุศล ในภาคของการปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราเจริญกุศลก็คือการละกุศลคล้ายๆกับเรารับประทานอาหารก็คือการละความชิวแล้วก็เพิ่มความอิ่มก็เป็นการรู้การว่าอย่างหนึ่งจะหายไปอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นในข้อแรกเนี่ยท่านเริ่มที่กรมมาปะทาวาระ คือหมวดที่ว่าด้วยกรรมบทกรรมบุก็มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นกุศลกรรมบุเป็นทางดําเนินชีวิตด้วยความสลาก็คือการงดเว้นจากการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ล่วงละเมิดในทางเพศแล้วก็งดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาพูดเลวไหล งดเว้นอย่างนี้ก็คือพูดอีกอย่างหนึง่งคือทำอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติระดับศีลท่านสาธารณลองสังเกตว่าเป็นการพูดระดับเสียคือพูดระดับงดเว้นซะก่อนและกํากับควบคุมที่จิต ด, ด้วยการไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นไม่พยาบามบตรฟองร้ายบุคคลอื่นเห็นชอบตามสนองครองทำทิ้งในส่วนตรงนั้นค้าม จึงว่าการตามจริงเมื่อบุคคลปฏิบัติไปตามกุศลกำหนดสิบเนี่ยอกุศลกำหบดก็ถูกสลายมันก็เกิดไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่กุศลกำหนดสิบยังมีอยู่อกุศลกำหนดสิบก็คือการประท้สลายต่อชีวิตประทุสลายต่อทราัพย์ล่วงละเมิดในทางเพศแล้วก็พูดเท็จพูดโสเสียพูดคำหยาพูดเลวไห ซึ่งควมหายว่าเมื่อเราอยู่ที่กุศลกรร บ, บตุตเนี่ยคยแค่เราไปทางขวาไอ้ทางซ้ายเราก็ไม่ได้ไปถ้าเราเทียบแล้วว่ากุศลกรรบดตเหมือนทางขวากุศลกรรบดเหมือนทางซ้ายเมื่อเราไปทางขวาก็คือเราเว้นทางซ้ายเราไปพร้อมกันสองทางไม่ได้แต่ประการต่อไปก็คือโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นพยาบามบองไร้บุคคลอื่นแล้วก็เห็นผิดจะกํานองทองค ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็มาจากมร ก, กับสมุทยัยในข้อต่อไปเป็นอาหารคือสิ่งที่นําผลมายนรับสาว่สัตว์โลกเนี่ยอยู่ได้โดยอาหารอาหารจริงจําแนกออกไปเป็นสี่ประเภทเดี๋ยวนี้ก็ยังมีสี่ประเภทอยูน่นะเมื่อไรมันก็เหมื่อนนั้นก็มีเท่านั้น ก็คือเกาลิงการะหารอาหารที่เราจะต้องดื่มต้องลิ้มต้องชิมเข้าไปทางปากคือสรุปว่าอาหารที่เข้าไปทางปากมันก็อยู่ในประเภทเกาลิ่งการะหารแต่ทีนี้ในปัจจุบันในเราจะเห็นว่าบางครั้งบางคราวในแวดวงของการแพทย์มีการฉีดเข้าไปหรือว่าผ่านท่อยางเข้าไป ก็ถือว่ายัางเป็นกบาลินกรอาหารเนี่ยแหละฉีดยาบํารุงนะสมมุติว่าฉีดยาบำรุงเนี่ยมันก็เป็นอาหารประเภทกาวลินกรอาหารประการต่อไปก็คือเป็นวิญญาหารอาหารคือวิญญาณมันก็นําผลมาทั้งบวกทั้งลบก็แล้วแต่การรู ป, รปโดยตา รู้รูปเรตตาฟั ار, งเสียงด้วยหูสูดดมกลิน่นด้วยจมูกริมน้ําติลิ้นถูกต้องยิ น, โ น, โนอนแข็งด้วยกายแล้วก็เนี่ยมนึกถึงอารมณ์ด้วยใจเนี่ยปัญหาว่าเราคิดอย่างไงอ่ะคือตัวมันเนี่ยเป็นกลางกลางถ้าเราคิดดีก็นําผลดีมาคิดไม่ดีก็นําผลไม่ดีมาเพราะว่าบัญญาณเนี่ยคือการรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้น้ํางลิ้นรู้ย็นร้อนแข็งทางกาย แล้วก็วรวมรวมทางใจผัสสอาหารอหารคือผัสสะก็เป็นการกระทบคืออีกช่วงหนึ่งของของอยายตนะภายในภายนอกมาประกบกันแล้วก็กลายเป็นบิ ญ, ญาณทีนี้สามอย่างเนี้รวมกันแล้วก็เป็นผัสสะคือเป็นผัสสอาหารอหารคือผัสสะตัวเขาเป็นกลางกลางมันก็อยู่ที่เราชอบหรือไม่ชอบอยู่ถ้าเราชอบเมื่อกี้เลสสาโลกภก็เกิดราคะก็เกิดกิเลส แต่เราไม่ชอบกิเลสสายโทสะ ก, ก็เกิดแต่มันก็นำผลมาผลบวกผลลบก็แล้วแต่แล้วก็มรนโณษ์สันเจตนาหารคือเจตจำนงความมุ่งมั่นความตั้งใจเจตนารมทั้งหลายเนี่ยนะเสรมันเกิดขึ้นก่อนสิ่งที่เราเจตนาจะเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่นำผลมา บางครั้งบางคราเราจะเห็นว่าเป็นจงใจเป็นเจตนาที่จะไปเกิดในที่นั้นที่นี้ที่ น, น่นอยาการตั้งพระไตรมาบัตในราชวงศ์สกยะของพระโพธิสัตว์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากมโนสันเจตนาหารอยู่ด้วยแต่ตัวนําก็เป็นวิญญาณนินะฮะบัญญัตก็เป็นของผสมระหว่างกิเลสกับกรรมก็มีความจงใจมีความตั้งใจ พวงนี้ต่อไปก็เป็นทุกขวาระคือส่งแสดงเรื่องทุกข์ทุกมีการจําแนกแสดงตามหลักของอริยสัจเลยคือในอริยสัจเนี่ยมีสภาวะทุกข์อยู่สามคือเกิดแก่ตายที่ราสวดพระชาติปีดุกขาเจราปีดุข า, า, ข า, า, ขามานำปีดุก ข, ขงังดละนอกนั้นก็เป็นปกินกะคือทุกจรมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของเราคือเราคิดเราเอง ส่วนใหญ่มันาจากมาจากการพลัดพลาคสูญเสียคนสัตว์สิ่งที่เรารักอย่างนี้ทรงสแสดงว่าความโศกเกิดจากความรักหรือของรักอะไรก็เกิดจากความรักทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีรักเนี่ยเราไม่โศกมีการพลาดพลาคสูญเสียสิ่งที่สูญเสียไปเราไม่โศกเราไม่รักเราไม่โศก บางทีก็จะดีใจได้ทําไปนะฮะงมันหายไปได้สักทีก็ดีเหมือนกันรำคาญอยู่นานแล้วอันนี้ก็คือมันเกิดขึ้นจาก เ, าเรียกปียะวิปโยคคือการพราดพราดสูญเสียจากคนสัตว์สิ่งเป็นที่รักแต่ว่าอีส่วนหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นภาวะที่เรียกว่าเราไม่ต้องการได้เกิดได้ขึ้นม ไม่ต้องการดูไม่ต้องการฟังไม่ต้องการรมไม่ต้องการลิฟไม่ต้องการชิมไม่ต้องการจับต้องแต่มันจําเป็นต้องดูต้องฟังมันเกิดความขัดแค้นเป็นทุกข์เป็นโทรมานนั้ต่อการอะไรแล้วไม่ได้ตามต้องการหรือสิ่งที่เราไปต้องการเกิดได้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทุกประเภทที่ยิ่งอาศัยอยู่กับราคาโทสะหรูภาโทสะของเราเพราะตรงนี้ก็ สรุปในตอนสุดท้ายว่าสังกิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานะขันธ์กราวโดยสรุปแล้วอาการที่จิตยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นทุกข์แต่รู้จักปล่อยรู้จักละรู้จักวางสักบ้างมันก็ทุกข์ก็ลดลงไปแต่เราก็ทำา้0เรเนี่ยคงจะยากนะทำได้มันก็ดีแล้วแต่ว่าทำา้0ยรเยากแต่ยังไงก็ควรจะผ่อนคลายความยึดมั่นถือมันอม่นสักบ้าง คือบางทีถ้าเราไปไปหาเรื่องเดือดร้อนเยอะเรื่องมันก็ไม่จำเป็นนะจัดแม้แต่ข่าวคราวทางใต้เนี่ยคือเราฟังเรารับรู้แต่ว่าเราไม่เก็บมาลุ่มการพูดการแสดงความคิดความเห็นเขียนหนังสืออย่างหนังสือที่นี่คือประเทศไทยงวามตมานี่คงจะเผยแพร่ไปชุดแรกก็ห้าพันนะแต่ว่าก็คงจะมากกว่านั้น เราก็ต้องการจะสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันถึงหมายความว่าคนเราถ้าอยู่กันด้วยความซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินเนี่ยคําเดียวเลยซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อบุคคลอื่นเนี่ยมีสัจจะอยู่คําเดียวเราก็รักษาได้แล้วเมตตาอยู่คําเดียวเรักษาได้แล้วปัญญายคําเดียวเรารักษาได้แล้วสติคําเดียวเรารักษาได้แล้วเพราะว่าเขาเข้าสู่กระบวนการ ปัญหาก็แก้ไปแต่อย่าไปยึดบ้านตึกบ้านว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นคือบ้านเรานี่มันเสียอย่างน่งพวกมือไม่พายแต่วท้าระน้ํานี่ยมันเยอะคือสมัยเป็นก็เป็นเนนนะตอนนั้นอนะ่ะไปเห็นหนังสือเด็กเด็กป .3 จำไา้เด็ก ป, 3, กป .3 คือแกวางไว้แล้วก็หยิบขึ้นมาอ่าน โกไยที่ตอนเป็นเนนก็ยังเป็นเด็กกันนะฮะอายุสิบสิบกว่าสิบหกสิบเจ็ดความจำมันดีแล้วก็ยาจำได้จำได้จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยแต่เกิดไม่แน่ใจยอยู่สองบรรทัดข้างล่างท่านบอกว่าเมื่อเราลงนาวาผ่าลมคลื่นในราบลื่นเร่งรุดถึงจุดหมายต้องร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพายตั้งหญิงชา ย, ยเกียงเลี่ยงมารยา มือไม่พายเหยื่อเท้ากระราะน้าถึงแม้เรือไม่ล่มก็ช้าล่าหรือลําอื่นเข้าไปไกลลิบตาแต่นาวายองฝืนโต้คลื่นลมเปรียบจะสร้างชาติไทยใหญ่ยิ่งต้องร่วมกันร่วมกันจริงจริงจนเสร็จสมช่วยกันคิดเดี๋ยวและแก้เงื่อนปมที่ยังด้อยค่อยระดมโดยจริงจังอย่าดูเบาเอาแต่ติดําริว่าจะเหมือนดังนาวาไม่ถึงฝั่งต้องร่วมรักษามัคขีมีพลังเกิดพลาดพรั้งเรือจมล่มชาดเด ผลมาท่านรองสุดท้ายเนี่ยไม่ไม่แน่ใจคําบางคําแต่ก็สรุปว่าก็ได้ความอย่างเนี้นั่นมาเกิดมาจากอะไรคือเกิดมาจากว่าเราไปยึดมั่นถึอมั่นในอัตตาตัวตนของตัวเองนี่มากเกินไปยิดมั่นถือมั่นก็ได้นะฮะแต่ต้องยึดมั่นว่าเอาชาติเป็นหลักเอาศาสนาเป็นหลักเอาสถาบันบราิวารกษ์เป็นหลัก มันกินจะเกิดการประนีประนอมการประสานประโยชน์กันแต่มาชอบความคิดถึงขนสายขาวัดก็รเรือล่มในหนองเงินทองไม่ไปไหนเนี่ยคือเราคนเราถ้ามีอุดมการณ์ชาติเนี่ยมันต้องนึกถึงชาติต้องมาก่อนเราอาศัยชาติเนี่ยต้องให้ชาติได้อาศัยอาศัยศาสนาต้องให้ศาสนาได้อาศัย สายสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้อาศัยถ้าจะเห็นว่ามันเป็นถ้าซื่อสัตย์มันจะกระตันอยู่และจะรู้หน้าชี่จากนั้นก็เป็นพลเมืองดีเราเราก็เป็นพลเมืองดีแต่ความรักแค่ศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ย่าตาไ ม, ม่าเอง คือพวกนี้บางทีเนี่ยเราเรามองยาวอย่างคราวหนึ่งในปีโยชนสากลสมัยรัฐบาลเปรมคือปีนั้นคำขวัญปีใหม่ในยาวมากมันมีตั้ง6กคำสามารถีมีวินัยไฟคุณธรรมของเราบอกร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติ เราเรามองเราเห็นชัดเจนเลยพออ่านพรบเนี่ยสามคัคคีมีวินัยฝ่ายคุณธรรมเพสามคัคคีเป็นผลมีวินัยเป็นผลฝ่คุณธรรมเป็นเหตุถ้าคุณฝ่ายคุณธรรมคุณก็ต้องอยู่อย่างมีระเบียบวินยัยคนที่อยู่อย่างระเบียบวินัยมันก็ต้องสามัคคีทีนี้เมื่อสามัคคีก็ร่วมแรงแข่งขังขนร่วมแรงแข่งขั น, ข น, ขนงานมันก็พัฒนาสันติ ซึ่งเป็นนิโรธอ่ะเป็นเป้ามันจะเกิดขึ้นเราจริงๆเห็นไหมไฝคุณธรรมคำเดียวจับหลักให้ได้ว่าต้องใฝ่คุณธรรมเพราะพระพเจ้าทรงแสดงไว้ในพระสูตรมีเทวดามากราบทูลถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่าย ผู้ใดแค่ทำเป็นผู้เจริญผู้ได้ช่างทำเป็นผู้เสือ่อมจุดเรดิ่มต้นปั้นประเห็นว่าที่ปัญหาที่มันทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจไปยึดใจไปยึดมั่นตือมันทําไมเราเดือดร้อนเรื่องที่อิรักทําไมเราเดือดร้อนที่ปักได้สจังหวัดเพราะอิรักเราไม่ได้ยึดเป็นของเราบ้านเมืองของเราหรือพักปลกของเราอะไรแต่ไร เราฟังแล้วข่าวก็สลดใจเสียดายปากีสถานเกิดแผ่นดินไหวคนตายหลายหมื่นเราฟังแล้วเราก็สลดใจแต่นั้นเองแต่ไม่ถึงกับเศร้าโศกอะไรแต่ว่าพอมาใกล้ตัวเราเนี่ยเราจะเศร้าเราจะเสียใจจะเศร้าโศกเสียใจเพราะว่ามันเกิดพละพรากสูญเสีย เหตุนี้พระธาสูญเสียเราต้องมันเกิดจากเรายึดว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราคือถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่อยากอยากแล้วก็ยึดยึดแล้วก็อยากพออยากเราก็ต้องการคืออย่าลืมมกิมเลส เ, เ, เนี่ยมันผดดันควาคิดในแนวเด็ดันเนี่ยเป็นอาการกริเลสต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอาอย่างนี้อะไรเนี่ยเพราะนั้นมันก็มีปัญหาอธิวะ เราไปยึดถือความเห็นของเราเนี่ยมากกว่าเรื่องของชาติแผ่นืองบางทีเขาชนะค้าขันกั น, นแนวประชาธิปไตยเนี่ยมันดีแต่ไม่ใช่ดีจริงเท่าไรหรอกพูดว่าเลวน้อยแต่นั้นเองก็มีสิ่งเป็นนั้นมากที่เรายึดถือเป็นฝักเป็นฝ่ายพวกนี้ที่เริ่มไว้ฉันไม่ต่อให้เดี๋ยวมจะได้นะ อย่างคล้ายๆกับสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้เริ่มมาตั้งแต่สมัยจมบทสริสี่สิ์4้าสี่สิบกปีไอ้ที่ไม่ตอบมันก็เยอะทิ้งช่วงอยู่เยอะแต่เราเห็นว่าที่มาแรงที่สุดก็คือสมัยรัฐบาลเนี้ยมาเร็วมาแรงเนี่ยนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันอย่าไปคิด ว่าคนนั้นเริ่มมาเราไม่ต่อตัวไ้ก็แผ่นดินอะเป็นเรือลบในหนองเองินทองก็อยู่ในหนองอไม่ไปไหนเพราะในความความยึดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็นําปัญหาอยจะมายเยอะเลยที่ท่านบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส่ใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจทําใจตัวเองว่า ต้องการสุขหรือต้องการทุกข์ชราบรณะวาระก็เน้นที่ชราก็คือความแก่ง่อมของอินทรีย์ต่างๆนะฮะความเสื่อมของประสาทสัมผัสผมงอกฟันหักหนังเขียวตาพร่ามัวหูตึงอะไรต่อะไรต่างๆนะก็เป็นอาการของชราแต่ว่าจริงๆแล้วในชราเนี่ยมันมนเริ่มตั้งแต่ไปสนทีมาแล้ว ไปสมที่ปั๊บปังก็ไหลก็สู่กระแสจะลาแต่เราเรียกว่าจเจริญไหวแต่นละเด็กเป็นความเสื่อมที่ออกมาในรูปจเจริญเพราะว่าวิญญาณในแปลวความเสื่อมแล้วก็จเจริญก็คือจเจริญทีนี้มรณะก็คือความตายความแตกขาดแดงอินทรีย์คือชีวิต ถึงเราก็มีคณิกะมรณะคือตายอยู่ทุกขณะเป็นอาการละมรณะคือตายในคราวที่ไม่น่าตายยังไม่ถึงคราวจะตายแล้วก็เป็นการละมรณะอันนี้ต้องตายแน่อย่างที่โบราณท่านว่าไว้ถึงที่ตายไม่ถึงตายก็ไม่ไหวชีวาว่าใครพิฆาตขินข้าไม่อาสันถึงที่ตายก็ต้องตายไหวชีวันใครไม่ทันทำร้ายก็ตายเอง แต่ว่าตายตรงนี้ที่จริงก็เรียกสมมติมรณนะคือสมมติว่าตายอย่างกิงไม้ตายเนี่ยก็สมมติว่าตายแต่ว่า ก, กิงอื่นมียังมีแล้วก็ต้นไม้ชน้ดนี้มัน ย, ยังมีเยอะเพรา ะ, ะนนคนเราจับได้ที่ยังมีกิเลสยังมีกรรมเนี่ยก็ถือว่าสมมติแ่นั้นแหละสมมตเราตายไม่ตายจริงคนตั้งใจจริงต้องดับภาพดับดับภพบดับชาตินะะต้องดับที่ชาติได้ ตัวความเกิดได้แต่เรายังเกิดยังเกิดเนี่ยตรงนั้นท่านยังเรียกว่าเป็นสมมติโมระการตายของมนุษย์ตามปกติแล้วก็หมดบุญกับหมดอายุแต่วดานางเหตุจุติมากกว่ามนุษย์น่ะของเราก็หมดสองอย่างหรือว่าบางอย่างหมดสักอย่างมันก็แย่แล้ว ประการตบใบชาติวาระชาติคือความเกิดเนี่ยหมายถึงการเกิดในกำเนิดทั้ง4สือเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในของสปกปรกและเกิดโดยผุดขึ้นเรียกว่าโอปปาติกะเพราะ ง, งั้นเราจะเห็นว่าผู้โอปปาติกะเนี่ยยกเว้นมนุษย์กษัตริย์ดุริชาญมันก็เป็นโอปปาติกะ พวกเปรตพวกสุรกายพวกสัตว์นรกพวกเทวดาทั้งหลายนี่อกพุ่มก็ถือว่าเป็นโอปปาติกะคือผุดขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตายไม่ทิ้งซากความคิดตรงนี้ถ้าเราติดตามเรื่องมนุษย์ต่างดาวของฝรัง เราจะพบ ว, ว่าฝรั่งเวลานี้เวลาตายก็หายอย่างที่คำพีภูศาสนาแสดงไว้ว่าพวกเทพทั้งหลายเนี่ยพวกมนุษย์ต่างดาวทั้งหลายเนี่ยเขาตายแล้วก็ไม่ทิ้งซากพลเปรศอสุรกายสัตว์รกเทวดาแล้วก็พรหมพวกนี้เกิดโดยผุดขึ้นแล้วก็ดับไปเลยนตราธานจะที่หนึ่งไปปรากฏในที่หนึ่งโดยไม่ต้องขีดกาลเทศะ แต่พูดถึงเทพนะเทพก็ต้องมาอิสร์หน่อยเพราะว่าตาสักเล็กๆมันก็ทำอะไรไม่ได้ตามต้องการประการต่อไปภาวะวาระภาวะคือพเนี่ยตามปกติก็จะแบ่งเป็นสองอย่างคือสังขารภพก็ได้แก่บุญได้แก่บาปแล้วก็ได้แก่อรุปฌานก็เรียกอนเนญชาพิสังขารเป็นตัวกรรม ที่นำไปสู่กำเนิดต่างๆก็แล้วแต่ แ, แต่กำเนิดอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพบคือที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายก็ได้แก่การมากาเมาพบรู ป, ปรพบอรู ป, ปรพบกรรมพบก็คือสิ่งมีชีวิตอย่างมีความเกี่ยวข้องปุพันอยู่ในกา ก็มีสิบเอ็ดแล้วก็รูปภพก็มีสิบหกอรูปภพก็มีสี่รวมแล้วก็สามสิบประการต่อไปก็อุปาทานวาระอุปาทานเนี่ยที่จริงก็คือกิเลสโลกุตรลงนั่นแหละแต่ในที่นี้ทรงจำแนกเป็นเป็นสี่เรียกอุปาทานเนี่ยจะจำแนกเป็นสี่ ก็คือถือมั่นด้วยอำนาจความใคร่เรียกว่ากามุป า, า, ม า, า, มททา ท, ทป า, านถือมั่นด้วยอำนาจขทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐุปาทานถือมั่นด้วยหลักการปฏิบัติศีลวัดต่างๆเข้าใจว่าครังว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นความถูกต้องดีงามเลยเถิดไปจนถึงโควขวัตถุนัขวัตเรียนแบบโคเรียนแบบสุนัขอะไรๆในอินเดียนี่มีให้ดูนะ อยากจะดูแถวอินเดียก็ไปที่พาราณสีแถวฤุษีเกตอะไรต่างๆนี่จะเยอะเลยในคัมภีร์กล่าวว่ายังไงอ่2000ะสองพันกว่าปีมาแล้วีนกล่าวว่ายังไงเดี๋ยวนี้ยังมีเรียบร้อยมันเป็นเรื่องแปลกแต่จริงเป็นเรื่องความเชื่อเนี่ยมันห้ามกันยากเพราะว่าพื้นฐานจิตของมนุษย์เนี่ยมันสืบพบชาติมา โดยพลังแห่งกุศลหอกุศลหรือว่าพลังแห่งบารมีกับพลังแห่งอาสวะเนี่ยมันก็สร้างความโุ่มเอียงภายในจิตคือเรื่องวันเรื่องเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาชอบอยังไงแต่เขาก็ชอบมันก็เรื่องของเขาอ่ะวันเราเห็นว่าพบกับภูมิเนี่ยมันก็ไปสืบเนื่องกับ ไอ้ตัวจิตที่นี้เนี่ยอุปาทานเนี่ยจิตที่มีอุปาทานแล้วก็อัตวาทุปาทานก็ถืออัตวัฏฐาวชนตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างโน้นจนถึงเป็นตัวตนที่ตาวรยั่งยืนตลอดถึอว่ามีพระเจ้าอะไรอะไรต่างๆนี่ก็คืออุปาทานแตอย่าลืมว่ามั น, ม, นมันก็เป็นก็คือกิเลส ตัณหาวาระก็พูดถึงตัณหาสามประ ก, การเรื่อการมาตัณหาจิตดิ้นรนทะเย็นทะยานอยากในวัตถุการมทั้งหลายเพราะว่าตัณหาจิตดิ้นรนทะเย็นทะยานอยากในความเป็นทั้งหลายที่ตัวชอบนะมีข้อแม้ว่าที่ตัวชอบมิเพราะว่าตัณหานั้นไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก็สรุปว่ามันเกิดมาจากกินดีกินได้นั่นเอง แต่ตัวการใหญ่เนี่ยอยู่เบื้องหลังจริงๆก็คือว่าการอธรรหากบวชตัณหามันเป็นความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายแทยงแท้ ย, ยั่งยืนเพราะนพอไปครอบครองและแกเกิดเปลี่ยนนี่เราจะโศกเพราะใจเราที่รับรู้เนี่ยว่าสิ่งนี้จะอยู่กับเราตลอดไปนั้นไม่อยู่่พอมันเกิดเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาของมันเราก็โศก แล้วทีนี้พิพิธวัฒน์หามันมองเป็นแนวเขาเรียกอุดเฉททิชิคือถือว่าขาดศูนย์กรารกระเบองการอะไรได้สั่งการอะไรได้ให้ขาดศูนย์ก็ให้ขาดให้ยังยืนก็ยังยืนแค่าค่อย่างนั้นนะฮะเราก็คิดว่าเราใหญ่<ม> ค, หญคิดว่าเราแน่เราเก่งแต่จริงเราเป็นเล็กๆนะฮะเราเป็นส่วนแยกของธรรมชาตินิดหน่อย เขาเคยมีคนก็แยกประเภทนะว่ามีน้ำเท่าไร่มีดินเท่าไร่มีไฟเท่าไร่มีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมีแร่เหล็กเท่าไรอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขาเคยคำนวณให้ดูประการต่อไปก็คือเมื่อเกิดตัณหาเนี่ยตัณหาที่จริงมันมาจากเวทนาแต่ว่าตอนนี้ก็ท่านท่านแลรงตัณหาก่อนก็ไม่ได้ว่าอะไร เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาก็ได้ตัณหาปัจจัยเกิดเวทนาก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอ็ไร้เช่นเราเคยส่วยสุขในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งเราก็ปรับลบเรื่องเหล่านั้นเราก็อยากได้เห็นไหมเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาทีนี้อสิ่งที่เราอยากได้บางอย่าง ấy. เราก็หนดว่ามันน่าครายน่าปรารถนาหน้ า, า, น า, า, น า, นาพอใจแล้วเราอยากได้แล้วเราก็ได้ พอได้ปรากฏว่ามันให้ความสุขก็แสดงว่าเวทนาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาหรือเกิดทุกข์มันก็ตัณหาเป็นปัจจัยได้กันนะเพราะงั้นเวทนามก็อย่างที่บอกไว้มันก่อนมรามีตังเยอะเมื่อตัณหาเขามีร้อยแปดเวทนาเขาก็มีร้อยแปดได้ แต่เอาเวทนาสามก็พอแล้วนะพูดถึงเวทนาสามเนี่ยสุขทุกขะทุกกทกอมุสุขแล้วก็ต่อไปเป็นพัทธวาราพัทธะก็คือการกระทบระหว่างอานตนาภ า, นภายในภายนอกกับวิญญาณมากระทบกันก็เรีกระทบทางตากระทบทางหูกระทบทางจ ม, ม, ม, มูกกระทบทางเลิ้ยงกระทบทางกายกระทบทางใจตัวกระทบเนี่ยมันเป็นกลางกลางแต่จิตที่กังวลเนี่ยมันน่าจะเกิดกิเลสก็ได้อารจะเกิดธรรมะ ก, ก็ได้ อาจจะเฉยๆโดยสถานะเขาก็ได้ก็แล้วแต่คืสรุปแล้วว่ามันอยู่ที่ความคิดอ่ะพูดไปพูดมามันอยู่ที่ความคิดพอเราใช้สับแสงอะไรมากมันก็ยุ่งยากในการจําแต่ถ้าเรานึกว่าธรรมะก็คือความคิดอ่ะคิดดีก็เป็นกุศลคิดไม่ดีก็เป็นในกุศล หรือไม่ต้องไปแยกเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นอะไรอะไรเกี่ยวพูดง่ายๆอย่างเงี้ยคือทำยังไงเราจะสื่อสารให้คนเราเข้าใจเพราะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเนะี่ยทั้งหมดในที่ปฏิวัติมาเนี่ยมาถึงอะไรล่ะมาถึงก็ปัมันก็มีหกปัสะสลายตนะก็คื อ, อาตาณะภายในก็ตัวนี้เน้นแต่ตาณะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้พอนามรูป ไปรูปมันก็คือรูปอะคือกายนามมันก็เป็นเวทนาเป็นผัสสะเป็นสัญญาอะไรต่างๆพวกนามเนี่ยทีนี้เวทนาท่านมีที่แล้วนะฮะเราก็ไปนับต่างๆก็ได้เช่นพวกผัสสะพวกสัญญาต่างๆก็เรียกว่าเป็นเป็นนามรูปนามรูปตรงนี้เป็นการพูดเชื่อมโยงมันเป็นตัวผลซึ่งมาจากกรริเลสกม เ็เป็นการอธิบายตามแนวของปฏิสัตปฏิจจสมบาติข้อต่อไปก็เป็นวิญญาณวาระวิญญาณวาระในอย่างที่บอกว่าวิญญาณเนี่ยมันมีหลายความหมายมาเริจวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ที่มาอยู่ภายในใจและวิญญาณขันก็คือวิญญาณ6 ตาหูจมลิ้นกายใจนะฮะความรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทา ง, งลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจบิญ ญ, ญาณอย่างหนึ่งเป็นตัวที่หยิดมันดับแล้วก็ไปไปส่นทิคือตอนดับนั้นเรียกจุติคือตายไปส่นทิก็คือเกิดเรียกไปส่นที่วิญญาณแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมันมันวิญญาณที่ไปตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ในพบใด้พหนึ่งเนี่ยเ้าเรียกวิญญาณทิฏฐิแปลว่าที่ตั้งของวิญญาณก็ที่จริงก็เป็นชื่อของพบทีนี้พบกับภูมิเนี่ยพพกัที่อยู่คือพบกัที่อยู่จริงเป็นอันเดียวกันเนี่ยเช่นเราเหยียบปั๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นที่อยู่แล้วก็ที่เหยียบมันก็ติดกันอยู่ไงนะทีนี้อย่างที่บอกว่าธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการพูดในเชิงขณะ พูดเป็นคณะแต่ยิงรวดเดียวอย่างอย่างเนี้ยอย่างสมมติว่าเราตักอาหารคำหนึ่งเนี่ยที่จึงกระบวนการทางจิตมันเป็นอิธิบะไปเรียบร้อยแล้วฉันท่าปริยัจิตตอบบวิมังสาหมุนหนุนก็ไปเลยแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่เราไม่ได้แยกแต่นี้ถ้าเราแยกเนี่ยมันมันจังหวคะค่อยๆจะยาว เช่เราจะต้องพิจารณาก่อนว่าอาหารนี้ควรกินหรือไม่คุรกินก็เป็นพิบังศาเกิดชอบขึ้นมาอาจจะชอบที่สีก็ได้ที่กลิ่นก็ได้นะแต่รสเรายังไม่สัมผัสหรืออาจจะชอบพระสัญญาคือของเคยกินอนะ่ะเคยชอบติดใจมาก็เกิดชันทะแล้วก็ใช้ความพยายามจะกินตั้งแต่ตัดมาตั้งแต่ดึงมาใส่ปากเคี้ยวเนี่ยม่ชันทะแล้วก็มีวิรยิยะ แล้วก็จิตใจก็จดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นวิมังสาก็คิดตามไปไปเจอไอ้กลิ่นไม่ค่อยดีหรือรสไม่เคย ด, หคยดีหรือมีอะไรสะดุดมีก้างเกินอะไรสะดุดวิมังสาก็พิจารณาวินิจฉัยก็ขายทิ้งฉันทากก็ย่อนฉันทากพอใจที่จะขายทิ้งวิริยะก็พยายามที่จะขายขายทิ้งทิตาก็จดจ่อว่าขายขายออกแล้วยางทิ้งแล้วยางอะไรอะไรเนี่ยแต่ทิมันเร็วมากอะเร็วมากเกือเป็นกระบวนการ ลองนั่งดูลองลองนับดูก็ได้นะกินอาหารตักอาหารคำหนึ่งเ่มันมีธรรมะอะไรเกิดบ้างแต่ยังไม่พูดก็มีเยอะอะมีเยอะนะฮะเช่นเป็นเจตานาเป็นขันติเป็นโ ส, ส, สรัจจะอะไรคือเ ร, เรียบร้อยไม่มุมมาไม่เลอะเทอะอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะนะคือเราเห็นว่าเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิต ที่มันหนุนเนื่องกันอยู่พระเจ้าก็ทรงแสดงจำแนกกระทามไม่ตื้นคือคือแบ่งแยกให้ดูพอแบ่งแยกแล้วยิงมันเป็นนาะไปเลยอย่างกล้ๆ ก, กับอริยมรรคเนี่ยก็รวดเดียวเป็นอริยมรรคแต่ว่าเราเราไม่ได้นับดูเพราะว่าจริงๆสติเราก็ระลึกไม่ทาย เราลองดูว่าในเจตนาเป็นเหตุแรงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นสมาธิเกิดไหมสมาสังกปะเกิดไหมสมาวาสมากรรมตานั้นแน่แน่นอนสมาวจาร์เกิดมันเกิดโดยเฉพาะสมาวามารสมาสติสมาสมาธินี่มันชัดเจนว่าอย่างน้อยห้าข้อเนี่ยเขาเกิดร่วมนะคือในสมาธิ สมาัานกะปะสมาวิยามะสมาสติสมา ส, สมาธินี่มันเกิดร่วมด้วยเจตนาเป็นเหตุงดเป็นจากการค่าสัตว์มันก็หนุนกันไปเรียกภาษาบาลีเรียกตรมปัฏฐานเรียกแก็เรียกไปนะแต่เราจะเห็นว่าจริงๆเราก็ดูดูไม่ใช่ดูเป็นขณะนะแยกแยกขณะไม่ออกแต่มันดูว่ามันก็เห็นมันต้องมีวิทยะต้องพยายามแล้วก็ต้องมีสติ พอเป็นงั้นเผอไปค่ า, าใจิตใจมันต้องสงบอกิเลตถ้าว่ากิเลตยังไม่อยู่นี่ก็วางใจไม่แก่แล้ต้องสงบกิเลสซะก่อนกิเลสขนาดอยากฆ่าเไยต้องสงบไปได้ซะก่อนเปิดคาว่าวิญญาณก็คือวิญญาณหกทีนี้สังขารวาระสังขารในที่นี้เน้นไปที่ธรรมะ ที่เป็นกุศลนลกุศ ล, ล้วก็กลางๆที่เกิดขึ้นปรุงจิตปรุงกายปร้าใจของคนโดยประการต่างๆแลว้วก็จะแยกไว้หลายแนวนะฮะเราจะเห็นว่าสังขารในที่นี้จะเน้นไปที่กายจะสังขารวาจีสังขารนะก็จิตสังขาร สิ่งในปรุงกายปรุงวาจาปรุงจิตแล้วก็เป็ น, นเป็นอวิชชาวะระอวิช า, วา อ, า ว, ชาอาวิชาเป็นความไม่รู้ที่มืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญาแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้ายังไม่เป็นพระอาหารหันต์มันมีอวิชชานะฮะมันมีอวิชาได้กันหลายปีมาแล้วเคยคุยกับอาจารย์ใหญ่กรรมฐ า, านท่านหนึง่ง ท่านเล่าถึงตัวอวิชาที่มันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันดูมันไม่ออกคือมันปรากฏในรูปมิตรดูไม่ออกโอกาสจะหลงทางเียได้ง่ายเพราะท่านบอกว่ามันมันสดใสมันสวยงามนั่นเองที่ยืงมันเป็นอวิชามันกว่าจะดูมันออกมัก็ต้องใช้กันนาน เพาะคนที่ทํำลายเขาได้เนี่ยมีเฉพาะปาราหารันแต่เราทําไงหย่ให้มันมืดมากมันคล้ายๆกับโพรเพนะฮะคือคือไม่ดําจัดแต่ก็ไม่ใช่ขาวล้วนหรือไม่ถึงกับขาวล้วนแต่ว่าถ้าเทียบถึงวันเวลาแล้วก็เรียกว่าใกล้รุ่งใกล้ค่าอะยังไงมันก็พอเห็นอะไรว่าทําอะไรได้แต่ถ้าสว่างกว่าเดิมมันก็ดีนะฮะ แล้วอาสวะวาระอาสวะก็คือกามกามาสวะอาสวะคือกามเพราะอาสวะอาสวะคือพบอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาอีกละเป็นการจําแนกแสดงธรรมเราจะเห็นว่าจริงๆก็คืออริยสัจแต่ว่าเน้นที่สามอริยสัจเพราะว่านิโรธก็เป็นผลนะนะนิโรธก็เป็นผล ในกรรมบทที่สมบูรณ์เนี่ยฮะก็เข้าถึงนิโรธนะฮะทงแสดงไว้ในสังครุปปฏติสูตรเน้นเฉพาะกุศลกับบทศิษเป็นเหตุแห่งมนุษย์สมบัติเหตแห่งสวรรค์สมบัติเหแห่งพรหมสมบัติเหตแห่งนิพพานสมบัติไปเลยนะชุดเนี่ยจุดชุ ด, ชดชุดสำคัญเนี่ยนะฮะชุดสําคัญที่ เคยทําเป็นสิ่ดีผลเอกเสีดีแต่เคยทําเป็นสิ่ดีที่ว่าวิธีทางแห่งความเป็นมนุษย์คือก็เน้นที่กุศลกำหนดเพราะนั้นเราจะเห็นว่าปัจจุบัสวะก็ดีหรือไม่แต่วิชาก็ดีนะฮะโดยเห็นว่าสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็แสดงว่าอีกเจ็ดข้อก็สมบูรณ์เมื่อเกิดเป็นญาณนะเพราะญาณนะวิชาก็ดับแต่ก็เกิดเต็มที่นะฮะ เกิดติดที่อวิชาก็นดะักรอเวลาท่านพูดเนี่ยลักษณะาจางคลายถาบ้านทั่วไปก็เรียกว่ากัลยาณนะ์นภูตุชนคือเป็นคนดีเป็นปุตุชนมีกิเลสหนาอยู่แต่ว่าเป็นคนดีแล้วก็แสดงว่าคุมกายคุมมัจจาคุมจิตใจไว้ได้ระดับหนึ่งจนถึงก็เป็นอะไรล่ะเป็นเป็นเทวดาในร่างมนุษย์ เดี๋ยวนี้ปกเทวธรรมทั้งหลายเนี่ยจนปรบิหารศีเนี่ยก็แสดงเป็นพรมเลยที่โอต ป, ปะนี่เป็นเทวดาเลยหรือศรัทธาศีลสุตะจากะ้าปัญญาเนี่ยห้าข้อก็เป็นเทวธรรมเลยหรือแม้แต่การอุปถากบังุงมารดาบิดาการมีสมาคารวาต่อผู้ใหญ่ภายในสกุลการเจราจาถ้อยคมที่ไพเราะอ่อนหวาน การเบ้นวาจาที่โสเสียแล้วก็การหักข้ามใจจากความโกรธได้ขจัดมุนทินคือความตะ น, นี้ได้แล้วก็เป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวาดาแล้วก็แสดงว่าเอาข้าจริงเนี่ยแม้แต่ด้วยสภาพจิตที่มันกิเลสพันลดลงไปเนี่ยภูมิจิตเราจะสูงขึ้น เราเข้ามนุษยภูมิเราเข้าเทวภูมิเราเข้าพรหมภูมิก็ขึ้นไปเรื่อยเยจนถึงอริยภูมิทีนี้แม้แต่มนุษยภูมิจริงๆเนี่ยนะเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ถ้าเราเข้าสู่ภูมิมนุษย์จริงๆกลายมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าใจคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าใจที่เป็นมนุษย์คืออะไรคือใจที่สูงกว่าอำนาจของกิเลสายาบ มันยกใจขึ้นเหนือหน้ากิเลสหยาบๆได้กิเลสมันก็อยู่ฮะเดี๋ยวก็บินเหนือกว่าอย่างเคยยกตัวอย่างเนี่ยว่าตัวหนอนที่มันกลายเป็นดักแด้แล้วมันกลายเป็นผีเสื้อเนี่ยมันมาจากหนอนนะซึ่งกินของสกปรกเนี่ยแต่พอเป็นผีเสื้อเนี่ยมันไม่แตะเลยนะของสกปรกมันดมดอมเฉพาะดอกไม้ของหอม แล้วก็บินสูงไม่ยอมเกะาะไอ้ของสกปรกอันนี้ก็เคยเล่าให้พระใหม่ก็ฟังก่อนคือหลวงปู่องค์หนึ่งเนี่ยท่านสอนลูกศิษย์ท่านบอกว่าทำยังไงว่าบินให้มันพ้นได้ไดคือสึกออกไปเนี่ยเราก็ผ่านจากหนอนมาเป็นดักแด้แล้วก็ออกไปออกไปเป็นผีเสือ้อ บิในให้สูงบิในได้ไกลมนุษย์คือสัตว์ที่มีใจสูงมนุษย์คือสัตว์ที่จะ แ, กแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์มนุษย์คือสัตว์ที่มีเหตุผลเป็นปัญหาภูเขาเลยนะเหตุผลเนี่ยบ้านเราเวลานี้พูดยากมากเรื่องเหตุผล จริงๆมันมันเหตุผลนี่มันมีมาตรวัดอนะฮะอันนี้มาจะจับปั๊บเลยแคยๆก็เราเถียงเรื่องคืบเนี่ยถ้าเราคืบเราเนี่ยมันหาข้อยุติไม่ได้แต่ถ้าเราไม้บรรทัดมาวางไม้เม็ดมาวางเนี่ยมันได้ข้อยุติพูดในห้องเนี้ยเป็นไงอากาศเป็นไงหนาวหรือร้อนถ้าเราตอบตามความรู้สึกเราเนี่ยมันก็เถียงกันนะ แต่ถ้าเอามิเตอร์มาวัดแล้วเนี่ยมันยุติและการการอยู่อย่ามีกฎเกณฑ์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องกำนดธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตทีนี้ไอ้พวกพวกฎกำหนดธรรมเนียมเนี่ยมันเอ า, เอ า, เ, อาเอาจริงกับจังมากไม่ได้นะมนไม่จะ่ข้อยุติอะไรแต่บางทีเราเราไปยุติมากเกินไปเช่นว่าของพระเราบางทีรุงรังนะแม้แต่เทียนเนี่ย โอยต้องเทียนต้องทำด้วยสีพึ่งอย่างดีน้ําน้ํามนต์เนี่ยต้องรองน้ําจากรางหาเลยบอกแม่มันมากปไปหลวงพ่อมันไม่มีที่ไหนแต่มันมเป็นเรื่องความเชื่อของเราเฉยๆเป็นความคิดของเราเฉยๆน้ามนต์ก็คือน้าอะแล้วก็ปัญหาว่าในการทำน้ํมนต์เนี่ยไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกมันอยู่ใ น, ในตกักกะถา แต่ว่ามันเป็นความเชื่อถือก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าไปถึงกับว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ไม่ใช่เนี่ยมันก็เกิดนี่เกิดผลไปทักพังเท่าไร่เสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมตรงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี